ต่อจา์นี้ไปเป็นการแสดงทาก่อนฉันเรื่องการตอบแทนพระคุณพ่อแม่อย่างสูงสุดโดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่27พฤศจิกายน2535ณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านติตาท่านฟังได้นบัด น, นี้ ก่อนจะได้เทศเกี่ยวกับญาตินี่ก็จะขอ อ, อ่านพระสูตรในนี้นอุรคชาดกในพระไตรปิกเล่มย7ิอ่าในให้ฟังสักก่อนแล้วเราจะได้เข้าใจว่าท่านรู้สึกกันอย่างไรสำหรับคนที่มีปัญญาคนที่มีภูมิธรรมแล้วท่านรู้สึกว่าการตายจากกันเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะท่านว่าไว้นี้ลองฟังก่อนอัตมา อาจจะไม่ต้องขยายความตั้งใจฟังดีๆคงจะเข้าใจนะในข้อ717ด้อ่ในพระติโกเล่ม27เนี่ยข้อเจ็ทันวาไว้งี้เปรียบคนตายเหมือนงูลอกคราบบุตรของข้าพเจ้าละทิ้งร่างกายของตนไปดุดงูละทิ้งคราบเก่าไปฉะนั้น เมื่อร่างกายแห่งบุตรของข้าพเจ้าใช้อะไรไม่ได้เมื่อบุตรของข้าพเจ้ากระทํากาละทํากาละไมให้เขามาตายกระทํากาละไปแล้วอย่างนี้บุตรของข้าพเจ้าถูกเผาอยู่ยอมไม่รู้สึกถึงความร่ำไห้ของพวกญาติเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงไม่เศร้าโศกถึงเขาคติของตนมีอย่างใด เขาก็ย่อมไปสู่คติของตนอย่างนั้นอ่านี่ข้อ717ว่าไว้อย่างนี้นะหมายความว่าลูกตายคนที่คนนี้เนี่ยลูกตายแล้วก็บอกว่าก็ตายแล้วก็แล้ ว, ล ว, ลวไปนะประเดี๋ยวก็จะถูกเผาไปแล้วไม่รู้สึกถึงความร่ำไห้ของพวกญาติหรอกอ่าตายแล้วจะไปรู้เรื่องอะไรเพราะงั้นจึงไม่โศกเศร้าถึงเขาอะไรนคนมีปัญญาก็จะเป็นอย่างนั้น คติของตนอย่างใดเขาก็ย่อมไปสู่คติของตนอย่างนั้นเพราะฉะนั้นผู้ใดที่ได้ทำบาปหรือทำบุญเอาไว้แล้วก็ย่อมไปสู่บาปสู่บุญที่เป็นวิบากของตนเมื่อตายแล้วก็ไปอย่างที่เป็นนะตสนาธรรมาก็เคยบอกเคยพูดมามากมายแล้วว่าคนเรานี่ตายแล้วจะมาอธิษฐานกันไม่ใช่อธิษฐานหรอกจะมาอะขอที่จริงขอ ขอให้ตายไปแล้วจงไปสู่สุคติหมายคขามาตายไปแล้วขอให้ไปสู่ที่ดีที่ชอบขอให้ตายไปแล้วก็คงไม่มีใครบอกให้ไปสู่ที่ไม่ดีไม่ชอบนะนะขอให้ไปสู่ขอให้ต่างคุณจะขออย่างไงไม่มีการขอกันได้ขอให้ไปอย่างไรอย่างไรก็ขอไม่ได้จะขอให้อะไรบันดาลก็ไม่ได้โดยเฉพาะาศาสนาพุทธาศาสนาพุทธนะกรรมเป็นของของตน ตนเป็นทายาทของกรรมกรรมเป็นกําเนิดกรรมเป็นเผ่าพันธุ์กรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราจะได้ก็ด้วยกรรมของเราเป็นคติของเราที่คติแปลว่าที่ไปมันก็จะไปตามที่เรามีกรรมมีวิบากนั้นๆ น, น, นั่นแหละเป็นทรัพย์แท้เพราะฉะนั้นเราสร้างบุญไว้มากก็ไปสู่สภาพที่ดีดําเนินไปดีเราจะเรียกว่าสวรรค์จะเรียกว่าทีทีททนายูก็ตามใจถ้าเรา สร้างไว้ไม่ดีเราทําแต่บาปเราทําแต่ทุจริตทําแต่อกุศนทําแต่สิ่งเลวทรามก็ได้อันนั้นแหละเป็นของเราที่ไปใครจะแบ่งให้ไม่ได้ใครจะมาทําอุทิศส่วนกุศลแบ่งส่วนบุญแบ่งส่วนอะไรให้ไม่ได้ครับนะแบ่งไม่ได้ถ้าแบ่งได้แบ่งบุญได้ก็แบ่งบาปได้แบ่งบาปออกหมดก่อนนะค้นน่ะเรื่องอะไรจะเอาไว้แบ่งกันได้นี่แบ่งออกหมดนะบาปเบิร์บอ่ะนะ แบ่งไม่ได้นี่เป็นเรื่องผิดพลาดมามานานแล้วอัตมาพูดเรื่องนี้แล้วเขาโกรธกันนักโดยเฉพาะผู้ที่เขา ม, มีประโยชน์ทางด้านนี่แบ่งส่วนกุศลนี่มาถึงออามาทําบุญกับพระแล้วพระก็แบ่งส่วนกุศลนี่ไปให้เหมือนค่าจ้างเหมือนจ้างพระให้ทําบุญไปถึงผู้ตายอัตมาเคยพิสูจน์เรื่องนี้นคนเป็นๆ น, นั่งอยู่ต่อหน้ากันเนี่ยยังไม่ตายจากกันเลยยังไม่รู้เลยว่าตายแล้วนี่จะไปอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่ อยู่ซอยสวรรค์หรือซอยนรกที่ห้าที่เจ็ดอะไรยังไม่รู้เลยไม่อาจหานี่ไปรู้ด้วยยังไม่รู้ทิศทางนอยู่เหนืออยู่ใต้เป็นๆ น, นี่ไม่ต้องตายจากกันแล้วยังไม่รู้ที่อยู่ด้วยซ้ำแม่รู้กันอยู่ต่อหน้าเนี่ยเดี๋ยวนี้อาตมาจะมีบุญหรือจะมีบาปก็อยู่ที่อาตมาขณะนี้เอาเลยอยากได้บุญที่อาตมามีอยู่นี้เอาไปเลยเอาไปได้ไหมแบ่งเอาไปได้ไหมควักเอาไปได้ไหม แย่งเอาไปได้ไหมนี่เป็นเป็ น, นี่ไม่ต้องถึงตายอ่ะนี่เป็นการพิสูจน์ที่ยืนยนันว่ามันแบ่งกันไม่ได้บาปก็คือคุณความเลวไม่จะคุณขออภายัยบาปก็คือที่เรากระทําไว้เลวเป็นวิบากกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมใดที่ทําเลวอันนั้นก็เป็นบาปของเราอะไรที่ดีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่เราทําเป็นสิ่งที่ดี เป็นกุศลเป็นสุจริตเป็นสัมมานะมันก็เป็นของเรากรรมสโกมหิกรรมเป็นของของตนกรรมทายาโทรเรารับมรดกของกรรมของเราเองปล้นกันไม่ได้จี้กันไม่ได้แบ่งกันไม่ได้อุตริกกันนักอุตริกันมากพระพุทธเจ้าตรัสก็ตรัสในพระไตรปิฎกก็มีเนี่ยบันทึกไว้อย่างเนี้คติของตนมีอย่างใดเขาก็ยอมไปสู่สุข ไปสู่คติของตนอย่างนั้นอย่างนั้ น, นไม่มีการแบ่งไม่มีการเล่นเลเล่นเละมาแบ่งทําทีเป็นเอาไปส่งไปถึงคนนั้นส่งไปถึงคนนี้ไม่ได้เอาละอาตมาไม่เจตนาจะพูดถึงเรื่องนี้นะจะพูดถึงเรื่องญาติเพราะงั้นวันนี้ก็ขอนำนํานิดหน่อยเท่านั้นเอาฟังต่อไปอีกมียุตอีก 3- 4บทบทที่7 1็ดข้อที่718บอกว่างี้บุตรของดิชันนีดิชันไม่ได้เชื้อเชิญให้เข้ามาจากประละโลก เขาก็มาเองแม่คนนี้ได้พูดแรงบอกบุตรของดิฉันนี้นะดิชันไม่ได้เชื้อเชิญให้เขามาจากประโลกไมเข้ามาจากโลกอื่นมาเกิดกับเขาอนะแม่เขาพูดเขาก็มาเองแม้เมื่อจะไปจากมนุษย์โลกนี้ดิชันก็มีได้อนุญาตให้เขาไปเขามาอย่างใดเขาก็ไปอย่างนั้นการปริเทวนาไมค์ครวรลัม ไรพิรีพิไรโศกเศร้าเนี่ยการปริเทวนาถึงในการที่บุตรของดิฉันไปจากมนุษย์โลกนั้นจะเกิดประโยชน์อะไรบุตรของดิฉันถูกเผาอยู่ก็ไม่รู้สึกถึงความร่ำไห้ของพวกญาติเพราะฉะนั้นดิฉันจึงไม่เศร้าโศกถึงเขาคติของตนมีอย่างใดเขาก็ไปสู่คติของตนอย่างนั้นนะฟังดีๆก็คงไม่ต้องขยายความมันะ ทีนี้ข้อ719ว่าางนี้เมื่อพี่ชายตายแล้วหากว่าดิฉันจะพึงร้องไห้ดิฉันก็จะผ่ายผอมเมื่อดิฉันร้องร้องไห้อยู่จะมีผลอะไรความไม่ยินดีจะพึงมีแก่ญาติมิตรและสหายของดิฉันยิ่งขึ้นพี่ชายของดิฉันถูกเผาอยู่ก็ไม่รู้สึกถึงความร่ำไห้ของพวกญาติเพราะฉะนั้น ดิฉันจึงไม่เศร้าโศกถึงพี่ชายนั้นคติของตนมีอย่างใดเขาก็ไปสู่คติของตนอย่างนั้ น, นก็คงไม่ต้องอธิบายอีกเหมือนกันข้อ720บอกว่างี้เด็กร้องไห้ขอพระจันทร์อันโครจรอยู่ในอากาศชั้นใดการที่บุคคลมาเศร้าโศกถึงผู้ที่ละไปสู่ปรโลกแล้วนี้ก็มีอุปมายชันนั้น สามีของดิฉันถูกเผาอยู่ย่อมไม่รู้สึกถึงความร่ําไห้ของพวกญาติเพราะฉะนั้นดิฉันจึงไม่เศร้าโศกถึงสามีนั้นคติของตนมีอย่างใดเขาก็ไปสู่คติของตนอย่างนั้นนะก็คงไม่ต้องอธิบายนะว่าเด็กร้องไห้อยากจะเอาพระจันทร์มันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรแบบเดียวกันกับการที่บุคคลเศร้าโศกถึงกับคนที่ตายไปแล้วก็พอกันข้อสุดท้าย7จ็ด ว่าอย่างนี้หม้อน้ำที่แตกแล้วเชื่อมให้สนิทอีกไม่ได้ชั้นใดการที่บุคคลมาเศร้าโศกถึงผู้ทิละไปสู่ประโลกนี้แล้วนี้ก็มีอุปมายชั้นนั้นนายของดิฉันถูกเผาอยู่ยอมไม่รู้สึกถึงความร่ำไห้ของพวกญาติเพราะฉะนั้นดิฉันจึงไม่โศกเศร้าถึงนายนั้นคติของตนมีอย่างใด นายของดิฉันก็ไปสุขติของตนอย่างนั้นนี่เป็นเรื่องราวที่บันทึกมาในพระไตรปิดกนะก็มีตัวอย่างของผู้ที่มีภูมิมีปัญญาก็จะทำตนเองรู้สึกตนเองอย่างนี้เพราะฉะนั้นการตายจากกันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่จะต้องโศกเศร้าร่าให้พี่นพี่ไรอะไรคนคนที่ยังไม่เข้าใจมีจิตใจห่วงหาอาไรเอาวรก็ต้องมาเรียนรู้ แล้วก็ทำความเข้าใจให้ดีเราอยู่ด้วยกันตั้งแต่ยังไม่ตายเนี่ยมีประโยชน์แก่กันและกันตายจากกันไปแล้วก็มาพิรีพิภัยมาเสีเเยเวรร่าเวลาโดยเฉพาะมาร่าไห้โอดโอยคําครวนถึงกันเป่ า, ปลาแล้วก็หมดเรี่ยวหมดแรงไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงไม่มีกำลังใจไม่มีอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็เป็นความคิดที่ไม่เจริญนะเป็นความคิดที่พิษ เราจะต้องศึกษาดีๆแล้วก็พยายามทาความเข้าใจนะการเป็นญาติกันเทตมาตั้งใจจะเทศถึงเรื่องญาตินี่นะการเป็นญาติกันเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญก่อนอื่นต้องเข้าใจซะก่อนว่าคำว่าญาติเนี่ยโดยความหมายก็พอเข้าใจกันโดยสามัญนนะว่าญาติก็คื อ, เ, อเป็นเชื้อสาย ที่มีเครือญาติพ่อแม่พี่น้องปูย่ย่าตายายเป็นทวดเป็นหลานเป็นเลนเป็นพี่ป่าหนะ้าอาอะไรกันอย่างนั้นก็เรียกว่าญาติไอ้อย่างงั้นก็เป็นตําแหน่งที่ระบุระบุตามสายเครือญาติหรือสายโลหิตคนนี้เป็นพอ่อเป็นแม่มีลูกก็เรียกว่าลูกก็เรียกว่าญาติตามสายโลหิตคน lakes, คนั้นเป็นพ่อของพอ่อเก็เรียกว่าปู่อะไรก็เป็นการระบุตามสายโลหิต ระบุการเรียกไปตามภาษาที่ระบุกันก็เรียกไปได้นะแต่มันไม่ได้หมายถึงความว่าถ้าเผื่อว่าเป็นพ่อเป็นแม่ที่มีลูกขึ้นมานะแม่ก็คลอดลูกออกมาตัวลูกเป็นญาติถ้าพ่อแม่ไม่ได้เกลือกูลพ่อแม่ไม่ได้ทำความคบคุณ ว่าไม่ทำความเป็นกันเองไม่ทำความคุ้นเคยไม่ทำกันจนกระทั่งไว้วางใจกันสนิทใจกันโดยเฉพาะพึ่งพาอาศัยกันพึ่งเกิดพึ่งแก่พึ่งเจ็บพึ่งตายกันได้ถ้าไม่มีพฤติกรรมอย่างนี้แล้วใส้ ต่อให้คนนี้เป็นพ่อเป็นแม่ที่สมสู่กันแล้วก็เกิดลูกขึ้นมาคลอดปึ๊บออกมาแล้วไม่มีพฤติกรรมอย่างนี้เลยพ่อแม่ก็ไม่เคยคบคุนกับลูกไม่ได้ทำความคุ้นเคยกันไม่ได้ทำความสนิทสนมกันไม่แต่ทาความเป็นกันเองกันไม่ได้ทำความไว้วางใจแก่กันและกันโดยเฉพาะไม่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันพึ่งเกิดพึ่งแก่พึ่งเจ็บพึ่งตายอะไรกันไม่ได้ ต่อให้คลอดออกมาอีกร้อยคนมันก็ไม่ใช่ลูกไม่ใช่พอ่อไม่ใช่แม่กันไม่ใช่ญาติกันเรียกไปตามภาษาเท่านั้นว่าในลูกนี่พอ่อนี่แม่เรียกภาษาตามระบุภาษาเรียกกันเท่านั้นเองนะฟังดูดีๆนะพระพุทธเจ้าท่านตรัสความนี้ว่าวิสาสะประมาญาตินะภาษาบาลีว่างั้นวิสาสะนี่แปลว่าความเป็นกันเอง แปลว่าความคุ้นเคยแปลว่าความสนิทสนมกันเป็นความไว้วางใจกันวิสาสะเนี่ยปรมาหรือปรมาในแปลว่า อ, อย่างยิ่งเพราะฉะนั้นคำว่าอย่างยิ่งหรือปรมังหรือ บ, บรมเป็นภาษาไทยเราเอามาใช้คำว่าบรมปรมะเนี่ยหรือปรมาเนี่ยอย่างยิ่งถ้าผู้ใดไม่มีความเป็นอย่างยิ่งก็ไม่ใช่ญาติแท้ อย่างยิ่งในอะไรอธิบายไปแล้วเมื่อกี้นี้มีความไว้วางใจมีความสนิทสนมคุ้นเคยกันคบคุ้นกันอย่างดีมีความเป็นกันเองกันและมีความน่นแะถึงขั้นใจวางใจไว้ใจเชื่อมั่นกันสื่อสารสุดจริตต่อกันก็ยิ่งเป็นญาติที่วีเศษเป็นญาติที่แน่ชัดพึ่งกันได้จริงๆคนจะเจ็บจะป่วยจะขาดจะแคลน จะแก่จะเท่าหรือแม้แต่ตายก็พึ่งกันได้ดูแลรักษาอุ้มชูเกื้อกูลช่วยเหลือกันนี้คือญาติเพราะฉะนั้นวิสาสะประมาญาติแปลกันว่าเขาแปลกันว่าญาติมีความคุ้นเคยหรือว่ามีความเป็นกันเองอย่างยิ่งอาตมาาฟังแล้วมันไม่รู้เรื่องถ้าแปลว่า ความคุ้นเคยหรือว่าความเป็นกันเองหรือว่าความไว้วางใจหรือว่าความช่วยเหลือเกื้อกูลพึ่งพาอาศัยกันอย่างจริงจริงยิ่งยิ่ ง, งนั่นแหละคือญาติถ้าแปลอย่างนี้แล้วก็ชัดเพราะคําว่าญาติหมายความว่าอย่างนี้วิสาสะประมาญาติญาติหรือญาตินี่คือวิสาสะประมานั่นเอง เพราะฉะนั้นการมีสายเลือดที่สืบกันด้วยสายเลือดจะเป็นพี่ป่านาอาเป็นปูย่ย่าตายายาเป็นอะไรก็แล้วแต่โดยสายเลือดแต่ไม่มีพฤติกรรมดังกล่าวไปแล้วไม่เรียกว่าญาติเป็นคนอื่นๆแล้วเป็นคนที่ต่างเราต่างก่อต่างเผาต่างคณะ ไม่เกี่ยวข้องไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนไม่อุ้มชูไม่ช่วยเหลือไม่เกื้อกูลอย่างนั้นแหละไม่ใช่ญาติที่นี้แม่แต่ไม่ใช่สายเลือดแม่แต่ไม่ใช่สายเลือดแต่เราก็มีการครบคุนกันเป็นกันเองไว้วางใจกันได้สนิทสนมกันได้ ช่วยเหลือเกื้อกูลพึ่งพาอาศัยกันได้อย่างแท้จริงอย่างนี้แหละคือคนมีญาติใครจะทำกับใครก็คนนั้นก็เป็นญาติกับคนนั้นเราทำกับใครมากๆคนเราก็มีญาติมากๆอัตมาทุกวันนี้อัตมามีลูกเป็นร้อย หลายร้อยจริงๆช่วยเหลือเกื้อกูลกันอยู่เนี่ยอาตม า, าอาตมามีใจที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลอ่าแล้วก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเท่าที่เรามีชีวิตมีการดําเนินชีวิตอยู่มีบทบาทมีการงานมีเรื่องอะไรก็พยายามบอกกันแนะนํากันอธิบายกันอันไรไม่ดีบอกกันเลิกอะไรดีบอกกันส่งเสริมกันให้ทํา แล้วก็เกลือกูลอยู่รวมร่วมกันก็ได้ไม่ร่วมกันห่างกันก็ช่วยเหลือเกลือกูลกันตามที่มีมันก็คนเราจะมาแออัดยัดเยียดกันอยู่ที่เดียวกันรวมกันอยู่ทั้งหมดมันก็ไม่ได้กว่าจะแยกกันอยู่บ้างแต่ก็เกลือกูลช่วยเหลือกันจะห่างกันก็ช่วยเหลือเกลือกูลกันเมื่อถึงครั้งถึงคราวเท่าที่จะพึ่งพาอาศัยเกลือกูลกันได้อย่างนี้แหละคือความหมายที่เป็นตัวเนื้อแท้สัมสาระสําคัญว่าญาติ เพราะคำว่าญาตินี้ถ้าเราไม่เข้าใจจริงแล้วมันก็จะมีมีญาติไม่ได้ทุกวันนี้พ่อแม่พี่น้องพึ่งพาอาศัยกันก็ไม่ได้คบคุณกันไม่ค่อยก็คบคุณไว้วางใจกันก็ไม่เคยได้ระแวงกันไม่เชื่อใจกันไม่เป็นกันเองเหมือนกับคนต่างคนแม้จะอยู่ด้วยกันชายคาบ้านเดียวกันหรือว่าสืบสายเลือดกันออกมาด้วยซ้ํา แต่เสร็จแล้วก็ไม่เป็นในคุณลักษณะที่อาตมาขยายความไปแล้วมันก็เลยไม่มีญาติกันและทุกวันนี้เนี่ยถ้าจะสนิทสนมกันจะเป็นยากกันเนี่ยที่กล่าวเนี่ยหาได้สนิทกันจริงๆรื่อสัตย์สุจริตไว้วางใจกันได้จริงๆเนี่ยยากขึ้นทุกวันแล้วเดี๋ยวนี้แม้แต่เป็นสายเลือด กันจริงๆริอัตมาเคยแปลกใจเรื่องนี้เคยพูดมาแล้วนะเคยแปลกใจผัวเมียเขาใช้เงินกันคนละกระเป๋าอัตมาก็งงพ่อแม่อัตมาไม่เคยไม่เคยพูด้เรื่องใช้เงินกนคนละกระเป๋าพ่อแม่อัตมาไม่เคยอัตมาเกิดมาก็เห็นพ่อแม่อัตมาเงินทองมันก็เหมือนกระเป๋าเดียวกันก็ใช้ได้กันมันก็เหมือนคนคนเดียวกันนะนะ นักธรรมาก็ไม่ได้ยินตอนหลังก็ไม่ได้ยินว่าเขาใช้เงินกับคนละกระเป๋าเขาเป็นผัวเมียกันนี่นะเขาใช้เงินกับคนละกระเป๋าอาตมาก็งงเอ้ยอะไรกันแน่เนี่ยมันไม่ไว้วางใจกันมันไม่เกื้อกูลกันแล้วมันยังไงเงินใช้คนละกระเป๋าอาตมาก็เอ้ยมันมันไม่ใช่หยาดกันเสแล้วผัวเมียคู่นี้นะแต่ก่อนอาตมายังไม่ได้ศึกษาธรรมะโดยซ้ําไปอาตมาก็แปลกใจจะเข้าใจไปอย่างนั้นนะว่าเอ้ยอะไรกันแปลกนักธรมาแปลกจริงจริงรู้สึกแปลก เขาบอกว่าใช้เงินกับคนกระเป๋านี่แปลกแล้วเพราะ น, น, นานๆมาโตขึ้นอะไรแต่ใ ไ, ไปก็เออเห็นคนมาเออก็เป็นอย่างนั้นนะ ه, แต่เราก็ไม่เป็นอย่างนั้นพ่อแม่ผี่น้องอะไรเราก็เกื้อกูลนะก็เลี้ยงดูช่วยเหลืออะไรอัตมาไม่รู้นะอัตมาว่าอัตมามีพ่อแม่ผี่น้องมีผี่ป่านาอาลุงอปู่ย่าตายายอัตมาอัตมาก็ไม่เคยเห็นเป็นอย่างนั้นเมียอะไรก็เออเข ก็เกือกูลกันมานะก็ช่วยช่วยเหลือเฟือไฟกันเท่าที่มันมีมีได้เป็นได้นะอาจจะมีกิเลสบ้างกี้เนียวบ้างอะไรเล็ ก, ล ก, ลกๆน้อยๆอะไรก็มันก็ไม่ได้คิดว่าเออไอน้นี่มันเงินเนี่ยเองเอาไปไม่ไม่ได้นะอยากจะจะต้องเป็นเสียดอกนะอะไรอะไรฟังแล้วมันชอบคนนะนะนี่ก็พูดให้ชัดๆนะนะพูดอธิบายชัดๆฟังแล้วมันก็ถ้าเข้าใจด้วยปัญญาแล้วนะ ที่อาตมาขยายความอะไรบ้างนี่ก็จะเห็นได้ว่าพฤติกรรมเกิดจากจิตวิญญาณจิตวิญญาณที่รู้สึกแล้วก็ฝึกปรือมให้เป็นอย่างที่กล่าวแล้วเนี่ยนะกรรมกริยาหรือว่าคนที่ได้ฝึกตนเองหรือว่าทำตนเองเป็นคนที่ไม่เกื้อกูลไม่ไว้วางใจกันไม่คบคุณไม่สนิทสนมไม่เป็นกันเองกับใครอย่างที่เรียกว่ามันเป็น กันเองจริงๆแล้วก็เกื้อกูลกันจริงๆเอาหน้ามีอะไรก็ถอยทีถอยอาศัยถอยฝึ่งพาอาศัยเกื้อช่วยเหลือเฟือไฟอะไรกันอุปธรรมอุปถัมอะไรกันนี่นะถ้าไม่มีคุณลักษณะอันนี้อยู่ในสังคมมนุษย์ชาติแล้วแล้วก็สังคมไปไม่ไม่รอดไปยากอัตมาคงไม่ต้องถามนะว่าถ้าคุณลักษณะอันนี้เกิดขึ้นในสังคมใดเนี่ยสังคมนั้นเลวหรือ ด, ดีอัตมาคงไม่ต้องถาม แต่ถ้าสังคมใดไม่มีคุณลักษณะอย่างนี้กันอยู่แล้วละก็ก็คงไม่ต้องถามอีกแล้วว่าสังคมนั้นจะเลวหรือดอีใครตอบไม่ได้ก็สอบตกอยู่ตรงนี้กันแล้วกันนี่ต้องถามอัอตมาถึงภาคเพียนนะคุณลักษณะเหล่านี้เนี่ยปราดทุกคนรู้ไม่ใช่ปราดก็พราะเข้าใจ แต่ว่าเราทำไมไม่อบรมทำไมไม่ฝึกฝนทำไมไม่สร้างให้เป็นกายวาจาใจโดยเฉพาะใจต้องเป็นจริงๆให้ได้นี่แหละตัวจริงมันอยู่ที่ใจเนี่ยทำไมไม่ทาทาไมไม่ฝึกทาไมไม่เป็นอย่างนี้กันอัตมาก็ถามฝากลมฝากฟ้าไปอย่างนั้นนะนะอัตมาเองตั้งใจทำนะพยายามเนี่จะเห็นได้พวกเราเป็นญาติกันมีอะไรก็ร่วมรวมกัน จะทำงานทำการอะไรก็รวมรวมกันทำพยายามช่วยเหลือเฟือไฟกันจนกระทั่งเนี่ยพวกเรามาอยู่กันจก ล, ลายเป็นกลุ่มชาวโศมเนี่ยสิบกว่าปี20ปีมานี้อาตมาเริ่มทำมามีญาติเยอะญาติจริงๆโดเยอาตมาว่าญาติที่มีคุณลักษณะของความเป็นญาติดังที่ได้อธิบายไปแล้วไม่เพียงแต่จะต้องสืบสายเลือดออกมาเท่านั้นเป็นเครือญาติทางสายเลือดทางสายโลหิต ไม่ต้องแค่นั้นแม้แต่คนรักเผ่ารักกอบางคนเป็นเจ๊กเป็นจีนบางคนเป็นแขกบางคนเป็นอ ะ, อะไรมีหลายชาติอยู่นะลร า, าไม่ต้องทักก็ได้นี่นะเราเราก็ไม่ใช่เราอะนะเราก็เป็นเพียงคนอีสานเท่านั้นนะว่าเราเป็นลาวยังไง <c oughs> อะ ก็ซ้ำเป็นไทยอีสานโมเมนต์ลาวจักหน่อยว่าเราเป็นลาวยังไงลาวก็อยู่ประเทศลาวหนึ่งเขามีลาวนะ ม, วนะมีหลายเผ่าหลายพันหลายเชื้อชาติก็ได้ก็เป็นญาติกันได้จริงๆนะเกื้อกูลกันอุ้มชูกันช่วยเหลือเฟื่อฟายกันไว้วางใจกันสนิทสนมกันคบคุ้นกัน คุณลักษณะเหล่านี้นี่แหละเราต้องสร้างกันต้องเจตนาสร้างต้องทำแต่ละคนแต่ละคนใครแต่ละคนทุกคนพยายามการทำตัวเองให้เป็นให้ได้เป็นได้เท่าไหร่สังคมใดที่เป็นได้มากได้สนิทได้จริงจังเท่าไหร่นั่นแหละคือญาติธรรมพราะฉะนั้นพวกเรานี่จะเรียกกันว่าญาติธรรมมีคนก็ไปเรียกญาติธรรมกันเดี๋ยวนี้กล่าวกันเยอะนะในโทรทงโทรทัศน์ก็ ญาติทำบางทีก็ว่าญาติทำเหมือนกันบางทีก็ว่าญาติทำเอาได้นะไม่เป็นไรไม่ออกติก็ไม่เป็นไรญาติทําไม่ออกอย่างนี้ก็ได้อ่าญาติทาก็ได้นก็ไม่ไม่ไม่ไม่ถือว่าผิดว่าถูกอะไรกันนักหนาหรอกเอาคําตรัสของพระพุทธเจ้าที่อาตมาเอามาเนี่มาอธิบายกันไปบ้างเรามีเวลาไม่มากนักคิดว่าจะสักชั่วโมงนึง่ะ เรื่องเกี่ยวกับหญ้านี่มีจากพระไตรปิฎกเล่ม 22: ิบข้อสี่สิบมีว่างี้ต้นไม้ทั้งหลายอาศัยบรรพตศิลาล้วนในป่าใหญ่ต้นไม้ทั้งหลายอาศัยบรรพตศิลาล้วนในป่าใหญ่ย่อมเจริญขึ้นเป็นไม้ใหญ่ชั้นเจ้าป่า ย่อมเจริญขึ้นเป็นไม้ใหญ่ชั้นเจ้าป่าชั้นใดบุตรพัญญามิตรอำมาต์หมู่ญาติและคนที่เข้าไปอาศัยเลี้ยงชีพทั้งหลายในโลกนี้ได้อาศัยกุลบุตรผู้มีศรัทธาสมบูรณ์ด้วยศีลจึงเจริญได้ชั้นนั้นเหมือนกันอันนี้ก็จะถ้าจะขยายความก็ ลึกซึ้งและละเอียดลงไปมากอยู่แล้วเอาไว้ก่อนเดี๋ยวอาตมาเอาสูตรอื่นก่อนนะสูตรต่อมาพระเตยปิฎกเด่มยิบ้าข้อยิบห้าทนว่าไว้งนี้การอยู่ร่วมกันกับคนพาลเป็นทุกทุกเมื่อเหมือนการอยู่ร่วมกับศัต ร, ตรูการอยู่ร่วมกันกับคนพาลเป็นทุกทุกเมื่อเหมือนการอยู่ร่วมกับศัตรู ส่วนนักปราชญ์มีการอยู่ร่วมเป็นสุขเหมือนสมาคมแห่งญาติส่วนนักปราชญ์มีการอยู่ร่วมเป็นสุขเหมือนสมาคมแห่งญาติเพราะเหตุนั้นแหลบุคคลพึงคบบุคคล น, นั้นผู้เป็นนักปราชญ์มีปัญญาเป็นพระหุสูตรมีปกตินำธุระไป มีวัตรเป็นพระอริยะเป็นสัพพบุรุษผู้มีปัญญาดีเช่นนั้นเหมือนพระจันทร์ส่องเสพหนทางแห่งดาวฉะนั้ น, นอันนี้พออธิบายกันได้ง่ายขึ้นกว่าเมื่อกี้นี้หน่อยนึงนะคือพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่านักปราบเนี่ย มีการอยู่ร่วมกันเป็นสุขการอยู่ร่วมกันเป็นสุขนี่แหละเหมือนสมาคมแห่งญาตินี่แต่ตรัสไปนี้นะส่วนนักปราชญ์มีการอยู่ร่วมเป็นสุขเหมือนสมาคมแห่งญาติเพราะการอยู่ร่วมรวมกันเนี่ยนักปราชญ์หรือผู้มีปัญญาผู้ที่ได้ฝึกตนมีภูมินะมีภูมิ มีวุฒิภาวะมีความเจริญทางจิตวิญญาณแล้วก็ปรับกายวาจาใจอยู่ร่วมรวมกันอย่างเป็นสุขนี่แหละเรียกว่าสมาคมแห่งญาติเห็นมคาว่าญาติไม่ต้องแมหมายความแค่สายเลือดเท่านั้นอาตมาอธิบายแต่ต้นแล้วแม้แต่สืบสายเลือดกันออกมาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกหรือเป็นหลานเป็นปู่เป็นย่าเป็นตาเป็นยายอะไรกัน แต่ไม่ได้มีพฤติกรรมดังที่อธิบายไปแล้วว่าไม่ไว้วางใจกันไม่เกลือกูนกันช่วยเหลือกันไม่ได้พึ่งเกิดพึ่งแก่พึ่งเจ็บพึ่งตายอะไรกันไม่ได้อย่างนั้นมันกน็อัตมาว่าเสียสายเลือดเปล่าๆมั้งนะน่าจะพูดจังนั้ น, นเสียสายเลือดเปล่าๆซึ่งมันควรก่อนด้วยนะท่านก็นตรัสนะพทุทธเจ้าท่านก็นมีสอนแต่บทนั้นไม่ได้มีมาในนี้ ก็ต้องช่วยญาตินี่ละก่อนว่ากันจริงแล้วพ่อแม่มีหน้าที่ที่จะต้องช่วยลูกดังนี้เป็นตน้นต้องช่วยมีลูกแล้วไม่ช่วยไม่เลี้ยงไม่ดูไม่เกื้อกูลอุดหนุนพึ่งเกิดพึ่งแก่พึ่งเจ็บพึ่งึงตายไม่ได้ลูกพึ่งพ่อพึ่งแม่ไม่ได้หรือพ่อแม่พึ่งลูกไม่ได้ผิดแล้วไม่ใช่ญาติแล้วมันต้องได้มันต้องกอนด้วยอ่า มันต้องกรอนด้วยสายเลือดนี่ต้องกรอนด้วยอย่างนี้เป็นต้นมันต้องอย่างนั้นทีนี้ถ้าเผื่อว่าเราเข้าใจคําว่ายาที่อาตมาขยายแล้วว่าอย่าไปเข้าใจว่าญาเนี่มีแต่นำเนินตามสายเลือดเท่านั้นพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้สอนไว้เท่านั้นดังที่ยกตัวอย่างให้ฟังแล้วนะทานจัดไปก็ไม่ได้เท่านั้นเพราะงั้นจงพยายามสร้างญาดไว้ในโลกนี้ให้มากจงพยายามสร้างสร้างอย่างไรเราก็ต้องทําตนให้เป็น ผู้สมาคมเป็นผู้ที่คบคุณเป็นผู้ที่เป็นกันเองเป็นผู้ที่ไว้วางใจกันเป็นผู้ที่พึ่งเกิดพึ่งแก่พึ่งเจ็บพึ่งตายกันได้เข้าไปยังมีคุณลักษณะพวกนี้จริงนีจริงมีมากเท่าไรเรายิ่งเป็นญาติกันมากเท่านั้นเรื่องลักษณะที่แท้นะทีนี้มีอีกบทหนึง่งนะพระุทธเจ้าตัดเอาไว้อันนี้เป็น การขยายความท่านตรัสว่ายาตกานังชายานามะสีตลาตาิเป็นภาษาบาลีว่าไงภาษาบาลีอันนี้ก็แปลว่าร่มเงาของหมู่ญาติาคื อ, อที่จริงมันมีคำว่านามะนี่หรือว่าชายานี่มันจะต้องแปลแปลว่าชื่อว่ากอน ในพระบาลีนี้มีคำว่าฉายานามะด้วยชื่อว่าร่มเงาของหมู่ญาติเป็นของเย็นนี่แปลตามตัวพยัญชนะบาลีนี้ออกมาก่อนชื่อว่าร่มเงาของหมู่ญาติเป็นของเย็นมันเป็นของเย็นมันเป็นของที่สบายถ้าแปลว่าอยู่ด้วยกันร่วมกันอยู่แล้วนี่นะ มันไม่มีร่มเงาของความเป็นญาติเลยมันอยู่ด้วยกันเหมือนกับอะไรล่ะศัตรูคู่ทะเลาะต่างคนต่างอยู่ไม่ไว้วางใจกันไม่คบหากันต่างคนต่างตัวใครตัวมันไม่เป็นกันเองไม่เกือกูลอะไรกันถ้าอย่างนั้นเราอยู่ด้วยกันมันไม่เย็นแน่นอน มันเป็นไม่เป็นของเย็นเป็นของร้อนแน่นอนเป็นของวุ่นวายแน่นอนพระพุทธเจ้าจันตัดอันนี้ในตอนที่ท่านตัดกับพระเจ้าวิถูถพะซึ่งตอนที่ยกทัพไปโจมตีเมืองกับบิรลพัดครั้งแรกทีนี้พระพุทธเจ้าก็ประทับอยู่ใต้คนโคนต้นไม้ที่มีใบน้อยใบไม่มากนักทีนี้พระวิถูถภาก็ บอกว่าทําไมไม่มาพักที่เขตของท่านละ่ะ ท, ท, ท, ท่านทัดท่านท่านตั้งพักอยู่ที่ตใต้ต้นไม้ที่มีใบไม่มากไม่มายอะไรนั่งอยู่ทางทางกรบิรภัฒน์ทีนี้พระบริจาค ท, ท่านก็เลยท่านก็เลยตรัสนะทางด้านพระวิถูตพาทำไมไม่มประพลาใต้ต้นไซซึ่งให้ความร่มเย็นยิ่งกว่านะว่างั้นนะมาอยู่ไกลจากพระองค์เท่าไหรน่นี่ว่างั้นนะ พระทูตพรท่านวางเนพระเจ้าปิทุตพระพระบรุตรเจ้าก็ท่านก็บอกว่ า, เ, าเราท่านก็นตอันนี้อ่ะทกตัอันนี้เป็นปรัชญาเป็นภาษาเป็นภาษีนี่แหละว่าชื่อว่าร่มเงาของหมูญาติเป็นของเย็นท่านตรัสอันนี้อย่างนี้นเป็นการให้คติเป็นการเตือนใจว่าควรจะเป็นญาติ เพราะฉะนั้นแม่ร่มไม้ร่มเงาอะไรพวกนี้จะดูร่มเงาต้นไม้ต้นเล็กๆไม่มีใบหนาใบครึ้มเหมือนต้นไทรที่ใบหนาครึ้มอะไรก็ตามถึงอย่างนั้นมากกว่าแค่นั้นนะเพรา ะ, ะเราจะอยู่ในกลางแดดแต่ถ้าเรามีญาติมีอยู่หมู่าติที่แท้จริงย่อมร่มเย็นกว่าเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่จริงๆแล้วม่มีเรื่องทะเลาะกันหน่อยๆทางพระเจ้าพิถุทพกบุญเจ้านี่จะอยู่กันคนละเครือญาติกันกําลังกันทะเลาะกันในตามประวัตินะ พระเจ้าก็เลยตรัสคานี้เพื่อเตือนสติรือเพื่อสอนพระเจ้าวิถุทพะนะเพราะในความหมายต่างๆที่พุทธเจ้าท่านสอนเรานี้แม้แต่คำว่ายาตกานันจสังฆโหซึ่งแปล ว, ว่าการสรงเคราะหญ์ญาตินั้นนะมันจะต้องมีและเป็นมงคลอันอุ ด, ดมหรือเป็นมงคลอันวิเศษนะเป็นมงคลข้อที่17นเนะ ญาติกาณนั้นจะสังฆ์สังฆ์โหเนี่ยการสงเคราะห์ญาติจะต้องสงเคราะห์กันต้องเกื้อกูลกันต้องช่วยเหลือเฟือฟาฟกันทุกวันนี้นี่มีแต่คนเห็นแก่ตัวเอาแต่ตัวเองเป็นใหญ่ไม่ค่อยจะเกื้อกูลกันไม่ค่อยพึงพาอาศัยกันอย่างนี้แหละเกิดความ ไม่อบอุ่นเกิดความไม่ร่มเย็นเกิดความไม่เป็นสุขอยู่ในสังคมถ้าเราไม่ศึกษาสัจธรรมพวกนี้เราเอาแต่ชีวิตเข้าไปคลุกคลีเกี่ยวข้องกับคนในโลกคนในโลกทุกวันนี้นี่นอกจากจะไม่เป็นมิตรสหายดังที่กล่าวนี้นะหรือว่าไม่เกือกูลไม่ใช่มิจฉาหายเป็นญาติไม่เป็นญาติดังกล่าวนี้แล้วนะมันเป็นมิตรสหายกันอย่างโลวงๆบางทีสนิทกันนะ สนิทสนมกันนะคุ้นเคยกันเหมือนกันนะนี่ซ้อนเชิงนะซ้อนเชิงแล้ววิสาสะวิสาสะเนี่ยแปลว่าความคุ้นเคยแปลว่าความเป็นกันเองเป็นกันเองกันนะเป็นมิตรเป็นกันเองคุ้นเคยกันดีสนิทสนมกันดีแต่ไม่มีความไว้วางใจกันไม่มีความความสนิทสนมกันในลักษณะที่พึ่งพาอาศัยกันได้มีความแฝง มีการเล่ใช้เล่มีเล่มีเหลีย่ยมที่จะเอาชนะค้าการที่จะเอาเปรียบเอารัดที่จะใช้อย่างชิงลาบยศสันเสริญโลกียสุขกันอยู่ในทีเพราะทุกวันนี้คนทุกวันนี้เนี่ยเป็นธาตของโลกกระทำเป็นธาตุของลาบยศสันเสริญโลกียสุขกันอย่างหน้ามืดตามัวสังคมตั้งแต่ในระดับสูง ระดับที่อยู่ในประเทศเดี๋ยวนี้ใครจะบอกว่าเป็นพวกระดับสูงสังคมชั้นสูงเขาว่างั้นนะชั้นที่เด่นเด่นชั้นที่ว่าใหญ่โ ต, โตอะไรยังไงก็แล้วแต่เดี๋ยวนี้ซึ่งเราก็รับนับถือกันว่าเป็นผู้ใหญ่ของประเทศเป็นผู้ใหญ่ของสังคมกลุ่มใหญ่และของประเทศมีชื่อเสียงโด่งดังคบหามิตรคบหาสหาย ไม่ได้เหมือนอย่างญาติแม้แต่ญาติทางสายเครือญาติสายเลือดกันก็ยังมีสภาพที่ไม่สนิทไม่ไว้วางใจไม่เป็นกันเองหรือว่าไม่เป็นไปในเนื้อหาที่อัตมา ก, กําลังขยายความโดยความหมายพื้นพื้นโดยความหมายมิติแรกๆว่าคบหาคบคุณเป็นกันเองเป็นได้บ้างเหมือนกันเป็นได้ดูดีเลยนะโอ้เป็นกันเองมาก แม้สนิทสนมกันมากคบคุนคบเคยกันมากแต่ในใจลึกๆไม่ได้เป็นดังที่อาตมาว่าเนื้อหาแท้น่ะจะต้องเป็นผู้ที่รักสนิทชิดเชื้อที่จะพึ่งพาไม่ใช่ว่าเราจะต้องคบกันแล้วก็จะต้องล่วงตับล่วงไส้เขาจะต้องเอาเอาศัยเขาเป็นสะพานอาศัยเขาเป็นตัวที่เราจะต้องกอบโกยด้วยว่าจะต้องเอาเปรียบเอารัดจะต้องแย่งต้องชิง อะไรกันอย่างเงี้ยนี่ลึกซ้อนลงไปในคุณลักษณะหรือว่าโทษสลักษณะภัยลักษณะพวกนี้มีซ้อนอย่างนี้คนทุกวันนี้ไม่ค่อยศึกษาสัจธรรมพวกนี้ไม่ค่อยศึกษาสังคมทุกวันนี้อาตมากล่าวอาตมากล่าวเลย ว่าเป็นสังคมที่ล้มเหลวเป็นสังคมที่หวังพึ่งอะไรไม่ได้เลยอาตมาไม่พึ่งไม่หวังพึ่งสังคมเลยทุกวันนี้สังคมข้างนอกเนี่ยอาตมาไม่หวังพึ่งเลยอาตมาพูดอย่างนี้ใครจะว่าไงก็ช่างไม่หวังพึ่งเลยอาตมาพยายามที่จะให้พวกเราเนี่ยมาเป็นญาติตามที่พระพุทธเจ้าท่านสอนและอาตมาก็พยายามที่จะมาใครจะมาเป็นญาติกันก็มานี่แหละพวกเรายากเรียกกันญาติธรรม จนก็ทั่งมาอยู่ร่วมๆกันใครจะมีบ้านอยู่ที่อื่นก็ได้อยู่ต่างจังหวัดก็ได้แล้วก็ไปไปม า, มาเหมือนบ้านญาติจริงๆมีมากขึ้นเดี๋ยวนี้อาตมาชาวอาโศเรานี่ฝึกสอนแล้วก็ปฏิบัติธรรมะลดความเห็นแก่ตัวลดความโลภความโกรธความหลงตามทฤษฎีอาตมาไม่เจตนาที่จะอธิบายหลักวิชาการปฏิบัติธรรมวันนี้ก็ไม่ขยายความ ในเรื่องของหลักวิชาในการปฏิบัติธรรมะซึ่งมันมีมากแล้วก็ต้องตั้งใจฝึกหัดปฏิบัติจริงๆเมื่อฝึกหัดปฏิบัติจริงๆแล้วเราจึงจะเกิดความเป็นญาติเกิดจริงๆเกิดความเป็นญาติก็จริงอยู่เหมือนกันว่าจะเป็นญาติทันทีทันใดมันก็ไม่ได้หรอกมันก็มีกิเลสกันอยู่ก็ต้องล้างต้องละต้องลดกันไปเพราะฉะนั้นก็จะเริ่มเป็นญาติกันขึ้นมาเรื่อยๆตามลําดับเป็นญาติที่มากขึ้นเป็นญาติที่จริงขึ้นเป็นญาติที่สนิทขึ้น ครบคุขึ้นจริงสนิทสนมเป็นกันเองกันขึ้นจริงไว้วางใจกันขึ้นมากเกื้อกูลกันขึ้นมากขึ้นพึ่งพาอาศัยกันได้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นตามภูมิมา ร, รมที่แท้แล้วไม่ต้องนับวัดแค่สายเลือดไม่ต้องนับว่าแค่สายเลือดออ ด, ดังที่กล่าวแล้วจึงเกิดเป็นสังคมแห่งญาติ สังคมแห่งญาติธรรมผู้ที่มาแล้วจะรู้สึกจะเข้าใจเลยว่าเออพวกเราจริงนะเราไปที่นั่นก็มีที่กินมีที่นอนไม่ต้องไปเสียค่าโรงแรมเดี๋ยวนี้โอโหโรงแรมก็แพงไว้ใจก็ายากอะไรกันต่างๆนานาเรามาก็เออก็ยังมออีข้าวมีกินดินมีเดินตะวันมีสองพี่น้องมีเสร็จออแถมเห็ดมีเก็บออป่วยเจ็บมีคนคอยช่วยดูแลรักษา ขี่ม้ามีคนช่วยกวาดผ่าขาดมีคนช่วยชุนบุญบาปก็พยายามฝึกปรือเอาของใครของมันพยายามสร้างพยายามสรารแต่พยายามสร้างบุญน่ะก็ทํากันจริงๆริงจึงเกิดสังคมกลุ่มอย่างนี้อัตมามีหน้าที่ที่จะพูดสัจธรรมมีหน้าที่ที่จะเทศอัตมารักงานนี้รักมาหลายชาติแล้ว อตมารประกาศความเป็นโพธิสัตว์จนกระทั่งเกิดเรื่องเกิดราวกันนี่แหละคนไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรคนไม่เชื่อก็คือไม่เชื่อคนทีเ่เชื่อก็เชื่อก็เขามาฝึกหัดมาศึกษามาฝึกฝกนแล้วก็จะได้ของตนของตนเรามาละโลภโกรธหลงเรามาสร้างจิตใจให้เป็นคนอย่างนี้แหละนะสรุปสรุปไปบ้างมีคุณธรรมมีความเกื้อกูลเสียสละต่อกันและกัน ให้มากขึ้นมากขึ้นให้ได้จริงๆไม่เห็นแก่ตัวลดความโลภโกรธหลงนี่แหละเป็นหลักปฏิบัติโดยมรรคองแปดโพธิชงเจ็โพธิปักเคีย ร, รมฝึกจริงๆพยายามความอธิบายกันว่าฝึกยังไงมรรคองแปดฝึกยังไงโพธิชงเจ็ฝึกยังไงเป็นโพธิปักเคียทำฝึกยังไงอธิบายกันแล้วเราเล่าอธิบายกันจนปากเปีปากแฉอธิบายไปจนกระทั่งจะตายตายแล้วเกิดมาอีกอธิบายอีก หลักใหญ่อันนี้แหละลึกซึ้งมากวิเศษมากและพิสูจน์ได้จริงเพราะฉะนั้นจึงเกิดญาติจริงๆทุกวันนี้อาตมามีญาติมากอญ า, าติแม้แต่แค่สายเลือดนี่ก็มีอาตมามีญาติทางสายเลือดน้อยลงเพราะอาตมาก็ไม่แต่งงานอาตมาไม่มีพ่อแม่ก็สิ้นไปแล้วก็เหลือน้อง น้องกับพยายามบอกแล้วอย่าไปมีลูกมก็มีอ่าไอคนที่บอกว่าอย่าไปแต่งงา น, นก็แต่งแต่งแล้วยังบอกแล้วบอกจะไปมีลูกมันก็มีอ่ามีลูกก็เอามีกันคนละไม่มากนักก็ดีเหมือนกันนะคืออาตมาไม่อยากให้ทุกขนะ์อ่ะมีลูกนี่มันทุกข์เรามีลูกโดยไม่ต้องไปลูกเนี่แล้วไม่รู้เลยว่าลูกที่เกิดมาเนี่ยนะ ไม่รู้ว่าวิญญาณผีหรือวิญญาณพระหรือวิญญาณเทวดามันมาเกิดเราไปเลือกเอาไม่ได้นะเลือกไม่ได้เสียงเสียงมากเลยและมันผูกพันมากมากลูกสายเลือดเนี่ยอาตมาพูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าอาตมาพูดเอาเอง้วยนะพระเจ้าเจ้าท่านตรัสนะว่าคนเรานี่นะ ไม่มีลูกนี่ถือว่าเป็นบุญไม่มีลูกนี่ถือว่าเป็นบุญป่วยการกล่าวไปยัยถึงคนโสดหมายความว่าคนที่แต่งงานแล้วนี่ไม่มีลูกนี่ถือว่าเป็นบุญนี่บุญป่วยการกล่าวไปยัยถึงคนโส ด, งง เ, ยยโสดเพราะยังคนยิ่งโสดยิ่งแจวใครที่ทําตัวเป็นโสดคนนั้นทันสมัยที่สุด ทุกวันนี้ยิ่งทันสมัยเพราะว่าทุกวันนี้มันยิ่งลําบากแต่คนไม่ละกิเลสกันก็รู้นะไม่ใช่ไม่รู้แต่งานกันแล้วคุ้กําเนิดมันรู้เยอะแยะรู้เราอย่าไปมีลูกมากคนมันรู้ดังนั้นน่ะสมัยนี้คือมีลูกมากคนก็ตายรู้ว่ามันเป็นทุกวันลําบากมันวุ่นวายมันทรมานแต่ไม่ลดกิเลสไม่ลดความกําหนัดไม่ลดราคะตามที่พพุทธเจ้าท่านสอนมันก็ยาก คณะนักธรรมสนสอ น, นี่ยังแผลด์แผแต่งงานกันก็ตั้งหลายคนหลายคู่เอาก็เอาละเพราะว่าศาสนาพระเจ้าก็ไม่ได้กั้นไปจนกระทั่งถึงสุดก็รู้อยู่ว่าอันนี้มันก็เป็นภูมิด้านนึงระดับระดับหนึ่งแต่ก็ต้องถือว่าภูมิมันยังไม่สูงลงนะแต่งงานอยู่นะศีลห้เาเอาพระพุทธเจ้าถนถือนับศีลห้าก็เอาไม่ไม่เป็นไรแต่งงานกับผัวเดียวมีเดียวไม่ต้องไปซ้ำซ้อนไม่ต้องไปมีมากขู่มากผัวมากเมียแต่ก็ต้องยอมรับว่าตัวเองน่ออยศีลห้าก็ยังต้อง ต่ำกว่าศิน8ปนะสิน8ปดในเขาอภรรยาแล้วนะก็ไม่ต้องยุ่งเกี่ยวเรื่องนี้ก็เป็นผู้สูงกว่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นทั้งญาติทางด้านระดับอย่างนี้นี่นะอัตมาพยายามขยายความฟังดีนี่ไม่ใช่อัตมาพูดเองนะพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้ด้วยท่านบอกว่าพูดตั้งตนเป็นคนโสดท่านเรียกว่าบัณฑิตผู้ตั้งตนเป็นคนโสดท่านเรียกว่าบัณฑิต ส่วนคนโง่ฝักไฟในเมถุนย่อมเศร้าหมองหมายความว่าคนโง่นี่ยังฝักไฟหาคู่มเมถุนก็คือการมีคนคู่ยังจะหาคู่สมสู่อยู่ฝักไฟก็หมายความว่าก็หายังดิ้นรนหาคู่สมสู่เนี่ยนะคนโง่ฝักไฟในเมในเมทุนย่อมเศร้าหมองนี่เป็นคําตัดของพพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่าน ไม่ใช่ว่าท่านเองไม่ได้พูดอย่างที่อาตมาพูดอาตมาไม่ได้พูดนอกขอกนะยิ่งทุกวันนี้ยิ่งทันสมัยที่นี่เราเนี่ยแนะนําการสอนกันจอกระทั่งคู่มันก็ทิ้งทิ้งคู่มันจริงๆนะแต่งงานกันแล้วก็พยายามปฏิบัติศีลให้สูงขึ้นเป็นศีลแปดอย่างนี้เป็นต้นเป็นญาติที่ทํำกันเป็นพี่เป็นน้องกันที่แท้จริงกันไป แม้แต่งงานแล้วก็พยายามปฏิบัติลดละกันมาให้เป็นญาติกันจริงๆเป็นญาติกันอย่างนี้แหละเป็นเรื่องเป็นทางที่อาตมาอยากจะเสนอแนะแล้วก็อยากจะให้พวกเราได้ศึกษาได้ฝึกฝนในเรียนรู้และทันสมัยแล้วเราไม่ต้องกลัวว่าเราจะไรญ า, าติเพราะเรานี่หลายคนเข้าใจแล้วก็ฝึกฝนจนกระทั่งเป็นผู้หญิงก็ไม่กลัว ไม่ต้องแต่งงานอยู่เป็นคนโสดอ่าเนี่ยอยู่พวกเราเนี่ยเป็นญาติอยู่ๆกันนี่ไม่ต้องกลัวเลยไม่ต้องกลัวว่าเอ๊ะแล้วเวลาแก่จะมีใครเลี้ยงไม่ต้องกลัวพวกเรามีระบบอาตมาไม่มีเวลาขยายแล้วนะมีระบบมีวิธีการเป็นญาติกันแล้วมันก็ผึ่งพาสาเกลือกูุลกันพึ่งแก่พึ่งเจ็บพึ่งตายกันไปแล้วก็มาละลดตัวเองให้มากน้อยสันโดษไม่เป็นพยายามเป็นคนที่เป็นภาระคนอื่นช่วยตัวเองให้ได้ แล้วก็พยายามที่จะช่วยคนอื่นให้ได้เพิ่มเติมขึ้นต้องฝึกปรื้ตนอย่างนั้นและคนอย่างนั้นจะเป็นที่รักของหมู่กลุ่มจะเป็นที่รักของญาติจะเป็นที่รักของมิตรสหายก็อยู่กันอย่างเป็นสังคมจะอยู่ใกล้อยู่ไกลกันก็เกื้อกูลกันเท่าที่มันมีภาวะที่จะเกื้อกูลกันได้นะคุณลักษณะเหล่านี้เป็นคุณลักษณะของสิ่งที่สรุปรวมลงได้ว่าสร้างความเป็นญาติสร้างความเป็นญาติ เพราะฉะนั้นคําว่าญาติที่อาตมาเจตนาวันนี้เจตนาตั้งใจเพราะว่าอาตมาตั้งแต่มีทํางานศพนี่ยังไม่เคยมีศพญาติที่จะต้องมาได้เทศอย่างนี้เลยนี่เป็นศพแรกศพญาติที่ได้เทศอย่างนี้อาตมาก็จะต้องเทศเรื่องญาตินี่เป็นสําคัญขยายความให้เข้าใจให้รึกซึ้งถ้าได้ฟังแล้วผู้ใดได้ฟังวันนี้จะรู้สึกความแปล ก, ปลกหูหรือใหม่ๆอยู่ แม่แต่งแง่ที่บอกว่าสายเลือดน่นะแลวก็ไม่มีพฤติกรรมอย่างนั้นไม่ชื่อว่าญาติหรอกคุณฟังดีๆเถอะไม่ชื่อว่าญาติแม่ไม่ใช่สายเลือดกันต่างเชื้อชาติกันมาด้วยซ้าก็ยังเป็นญาติกันได้และเป็นญาติกันจริงด้วยเอาแล้วก่อนจะไปไกลก่อนจะได้ขมวดหรือว่าไปหาทางจบเรื่องที่จะเทศวันนี้ก็ขอไป ลึกๆอีกนิดหนึ่งห้ามถามต่อคนเราไม่ได้เป็นญาติกันมาแต่ชาตินี้อย่าว่าแต่ญาติแบบสายเลือดเลยเอาอย่าว่าแต่ญาติแต่ที่จะมาเกื้อกูลกันด้วยคุณลักษณะหรือคุณธรรมเลยเกิดเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อเป็นเมียกันมามากชาติกันนักหนาแล้ว มากมายเกิดมาในชาตินี้กันถ้ารู้ถ้าระลึกชาติได้อะไรจะได้ะมีพ่อแม่พี่น้องลูกเต่าเหล่าล้านผัวเมียอยู่ในนี้กะักันอยู่นี่เยอะแยะที่เราได้มาพบกันได้มาคบกันแล้วก็มาได้เป็นญาติกันอีกนี่แหละมันมีความเกี่ยวพันที่จริงโดยเฉพาะเอาเนื้อหาของสาระสัจธรรม คนใดไปเป็นโจรไปเป็นคนเลวมันก็แยกไปทางนรกคนใดที่เป็นเทวดาเป็นผู้ที่มีคุณธรรมมีความดีก็มาอยู่รวมกันที่แดนสวรรค์หรือแดนภูมิคนดีสวรรค์นรกอาตมาไม่มีเวลาขยายความแล้วนะสวรรค์นรกก็ไปเข้าใจเป็นสวรรค์ก็อยู่บนฟ้านรกก็อยู่ใต้ดินอะไรนะั่นมันเพลาพกนะวันนี้ไม่มีเวลาขยายก็เอาละเข้าใจ ย, ยังไงก็เข้าใจไปก่อนใครเข้าใจดีพอสมควรก็เข้าใจฟังไป สรุปแล้วก็คือว่าเหมือนกันน้ําย่อมไหลไปหาน้ําไปรวมน้ําน้ํามันก็ย่อมไปหาน้ํามันคนชั่วก็ไปรวมกับคนชั่วไปรวมกลุ่มกันหรือว่าไปคบคุนกันไปวิสาสากันวิสาสะกันไปเป็นกันเองไปไว้ใจกันไปคบคุ้นกันไปสนิทสนมกันไปเกื้อกูลกันไปอุ้มชูกันไปส่งเสริมกัน ก็ส่งเสริมกันช่วยไปด้วยกันส่วนคนดีก็มาส่งเสริมกันช่วยกันดีไปอัตมาหมดเวลาที่จะอธิบายแล้วนะก็อยากจะพูดเรื่องสุดท้ายนะเรื่องนี้นี่ก็คือเรื่องของการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่นะฝากไว้นะการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่เนี่เราเข้าใจผิดกันแต่แค่ตื่นๆนพระพุทธเจ้าสอนเอาไว้นี่ลึกซึ้งนะท่านว่าอย่างนี้ น, นี่จากพระไตรปิฎกเล่มที่20่ข้อ278ดดูกระภิษสุทั้งหลายเรากล่าวการกระทาตอบแทนไม่ได้ง่ายแก่ท่านทั้งสองท่านท่านทั้งสองคือใครคือมารดาหนึ่งบิดาหนึ่งดูกระพิกษุดทั้งหลายบุตรพึงประครับประคองมารดาด้วยบ่าข้างหนึ่ง พึงประครับประครองบิดาด้วยออขออภัยบุดพึงประครับประครองมารดาด้วยบาข้างหนึ่งพึงประครับประครองบิดาด้วยบาข้างหนึ่งนะคำว่าที่จริงในจำนวนอื่นเขาเคยแปลว่าเอาแม่มาแบกไว้ที่บาข้างหนึ่งเอาพ่อมาแบกไว้ที่บาข้างหนึ่งเขามีอายุมีชีวิตอยู่ตลอดร้อยปีและเขาพึงปฏิบัติท่านทั้งสองนั้นโดยอาการ กลิ่นอาการนวดการให้อาบน้ําการดัดและท่านทั้งสองนั้นพึงถ่ายอุจจาระปัสวะบนบ่าทั้งสองของเขานั่นแหละอันนี้เขปแปลว่าประคับประคองอัตมาบอกแล้วแบกไว้บนบ่า น, นี้สำหนินหลังนี้ก็บอกแล้วว่าประคับไว้บนบ่าทั้งสองนั่นแหละแล้วก็ขี่รถเยี่ยวรถผุดภาษาไทยเลยนะนี่บ่าอุจจาระปัสวะอะไรก็แล้วแต่เถอะมันก็อันเดียวกันนั่นแหละ พึ่งท่ายอุจจารปัสสาวะบนบ่าทั้งสองของท่านนั่นของเขานั่นแหละดูกระพิสูจน์ทั้งหลายการกระทำอย่างนั้นยังไม่ชื่อว่าอันบุตรทำแล้วหรือทำตอบแทนแล้วแกบิดาแกมารดาบิดาเลยบุตรชายจะบอกว่าต่อให้เลี้ยงดูประครบประงมเอามาแบกไว้ได้สองบ่าเลยนะท่านจะขี่รถเยี่ยวรถบ่ายังไงก็เราก็ยอมรับ เกื้อกูลกันถึงขนาดนี้เนี่ยทั้งนั้นทั้งนวดทั้งฟันทั้งให้อาบน้ํำในอบกลิ่นอบร้ามไอเลี้ยงดูไม่ต้องพูดถึงนะอันนี้หมายความมาดูแลดูแลพ่อแม่ใกล้ชิดถึงขนาดนั้นท่านก็ยังบอกว่ายังไม่ใช่นะยังไม่ชื่อว่าบุตรได้ทําแล้วหรือตอบแทนแล้วแก่มารดาบิดาเลยยังไม่ได้ตอบแทนบุญคุณบิดามารดาเราแค่นี้ฟังน่าคิดนะแต่จริงๆก็ตอบแทนตอบแทนขนาดนึง แต่พุทธเจ้ายัางไม่ให้คะแนนนี่ฟังแล้วน่าคิดต่อมาดูกระพิสูจน์ทั้งหลายอันหนึ่งบุตรพึงสถาปนามารดาบิดาในราชสมบัติอันเป็นอิสราธิปัตดในแผ่นดินใหญ่อันมีรัตนะเจ็ดประการมากมายหลายมากหลายนี้ <c oughs> การกระทํากิจอย่างนั้นยังไม่ชื่อว่าอันบุตรทําแล้วหรือทําตอบแทนแล้วแก่มารดาบิดาเลยข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะมารดาบิดามีอุปการะมากบํารุงเลี้ยงแสดงโลกนี้แก่บุตรทั้งหลายส่วนบุตรคนใดยังมารดาบิดาผู้ไม่มีศรัทธาอันนี้อันหลังเดี๋ยวขออธิบายช่วงนี้ก่อน ช่วงแรกพอช่วงแรกบอกว่าแม้จะจะประครบประ ง, งมเอามาไว้บนบา ท, ทั้งสองขี่รถเยี่ยรถเราก็ประครบปรงงมดูแลใต้ชิดพ่อแม่เจ็บไหนนวดปวดไหนบีบให้เที่ยวอะไรอย่างนี้ตามาอาบน้ําอาบท่าเจ็ดถูให้อย่างประครบประ ง, งมเลยก็ตามดังนั้นก็ยังไม่ชื่อว่าเราได้ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่หรือแม้แต่ตอนหลังนี่บอกว่าจะหาสมบัติถึงขั้นราจะสมบัติมีอิสระที่ปัตดมีแผ่นดินใหญ่ ให้เลยซื้อประเทศให้ทั้งประเทศว่างั้นเถอะแต่จริงๆเนะ่ไม่ได้หมายความว่าไม่ทำนะอย่างนี้ก็ต้องทำจะหาสมบัติในพ่อแม่อย่างนี้ก็หาทุกแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่ทาอย่างนี้ต้องทำด้วยแต่เป็นพื้นฐานแต่ยังไม่เท่ายังไม่ถึงขั้นจดทดแทนบุญคุณพ่อแม่ที่แท้ที่ถือว่าจะได้ทดแทนบุญคุณพ่อแม่นั้นคือบุตร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 ดูกระพิสูจน์ทั้งหลายด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้แลการกระทําอย่างนั้นย่อมชื่อว่าอันบุตรนั้นทําแล้วและทําตอบแทนแล้วแก่มารดาบิดาสรุปแล้วก็คือการตอบแทนบุญคุณบิดามารดานั้นที่จะชื่อว่าตอบแทนบุญคุณนั้นจะต้องให้ถึงขั้นบิดามารดานี้ต้องเกิดศรัทธา โดยเฉพาะศรัทธาในกรรมศรัทธาวิปากศรัทธากรรมศักตาศรัทธาตถาคตโพธิศรัทธาศรัทธาในกรรมศรัทธาในวิบากศรัทธาในกรรมที่เป็นของของตนที่อาตมาเน้นแล้วว่าคุณทําชั่วเป็นของคุณเป็นสมบัติเป็นทรัพย์คุณทําดีเป็นสมบัติเป็นทรัพย์ให้พ่อแม่ได้พ่อแม่ได้เข้าใจได้ศรัทธาเชื่อถืออย่างนี้ให้ได้หรือตถาคตโพธิศรัทธา ศรัทธาในพระพุทธเจ้าศรัทธาในพระพุทธธรรมประสงค์ให้เกิดศรัทธาให้ได้โดยเฉพาะศรัทธากรรมศรัทธาวิบากนี่สำคัญถ้าพ่อแม่ก็ไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อวิบากไม่เชื่อว่ากรรมเป็นของของตนคุณไม่ได้ช่วยถือว่าไม่ได้ช่วยพ่อแม่ดังที่พระพุทธเจ้าท่านขีตัดเกรดเอาไว้ว่า ต่อให้ไปให้หาเงินหาทองประครบประงมกันยังไงยังยังไม่ได้ชื่อว่าตอบแทนบุญคุณพ่อแม่เรื่องบ้านช่องเดือนชานรั์สริงคานเรื่องพวก น, งงนี้ขี้พงเรื่องนี้สิเป็นเรื่องสำคัญเรื่องลึกอย่างนี้ถือว่าได้ตอบแทนพ่อแม่แล้วบุตรคนไหนทำบุตรคนนั้นได้ห่างๆหงน่อยนี่ยก็ไม่ค่อยได้นะบางคนจะดึงแม่ไปด้วยออกไปหาโลกียะ ยิ่งเลวใหญ่เลยนะเพราะฉะนั้นลูกจะต้องตอบแทนบุญคุณพ่อแม่อย่างนี้ให้ได้อย่างนี้พอาตมาไปถึงผูพ้พูดอย่างนี้แล้วเสร็จก็ไปถึงก็ไปแล้วไปถึงพ่อแม่ลาบากในวันนี้ไปถึงบ้านก็ไปดึงกันเลยไปรบเราไปทะเลาะวีวากันกับพ่อแม่ยาาอาตมาายุนะอาตมาไม่ได้พูดยุให้ไปเที่ได้ทะเลาะกับพ่อแม่นะ คุณจะมีปัญญาคุณจะมีจิตวิทยาคุณจะมีความสามารถอย่างไรที่จะทําให้พ่อแม่เกิดศรัทธาเกิดศีลเกิดจาระเกิดปัญญาเข้าถึงศรัทธาศีลจาระปัญญาคือรัพย์แท้อันนี้เป็นทรัพย์แท้ของมนุษย์ชาติพ่อแม่แม้เราจะหาทรัพย์แบบโลกโลกบอกแล้วคุณจะไปหาเงินหาทองมาด้วยสุจริตก็ตามไม่ต้องไปปล้นไปจี้มาให้พ่อแม่รอกด้วยสุจริตเนี่ยให้พ่อแม่แม้กระทั่ง ซื้อแผ่นดินซื้อประเทศให้พ่อแม่อย่างที่พระพุทธเจ้าทันตรัสก็ยังไม่เป็นทรัพย์แท้ที่พ่อแม่ได้เข้าใจไหมไม่ใช่ทรัพย์แท้ที่พ่อแม่ได้ยิ่งพ่อแม่ไม่ได้ปัญญาอย่างนี้เลยไม่รู้อย่างนี้เลยโดยเฉพาะคุณนั่นแหละยังไม่รู้ก่อนเพราะในโลกนี้หรือในสังคมทุกวันนี้ในมนุษยชาติทุกวันนี้ยังไม่ค่อยได้ตอบแทนพ่อแม่กันหรอกตามเกรดที่พระพุทธเจ้าทันสอน เพราะอะไรเพราะพ่อแม่มีบุญคุณมากให้แค่ซื้อแผ่นดินให้นี่ยังต่ําไปเอามาแบกไว้ให้ขี่ให้เยี่ยวรถบนบา่าบนไหลอย่างที่ว่านี่ยังน้อยไปและไม่มีคุณค่าเท่าทรัพย์แท้เพราะฉะนั้นสมบัติในโลกนี้แม้แต่แผ่นดินนี้ยังไม่ใช่สมบัติที่แท้กว่าศรัทธาศีลจาระปัญญาเลยผู้ใดที่มีศรัทธาโดยกรรมศรัทธาวิปากศรัทธา กรรมสกตาศรัทธาศรัทธาในกรรมศรัทธาในมีบากระตาในกรรมเป็นของของตนศรัทธาในพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธธรรมประสงค์หรือมีศีลจริงมีศีลมีการได้สละได้จาคะไม่ใช่โลภจนกระทั่งแม้แต่จะตายวินาทีสุดท้ายกันนาอาสเตเตนมันมดูที่เหลือเท่าใดหนูตายแลว้ววะพ่อแม่ก็ยังห่วงสมบัติพระสถานอยู่อย่างนั้นแย่เลยต้องให้จาคะ ต้องให้มีจิตใจสละละวัตถุในยังของน้อยละกิเลสให้ได้ในของสําคัญกว่าอีกต้องมีปัญญาอย่างนี้ต้องสอนต้องแนะต้องสร้างต้องให้คนเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นนี่เป็นเรื่องที่ฝากไปสําหรับวันนี้นะเรื่องของพ่อแม่นี่ก็สําคัญและก็ขอจบขอให้ทุกคนได้พยายามฟันะงธรำแล้วเอาไปทำํำ ระวังทำและสองบอระวัาางชีวิตนี้สั้นนักนะชีวิตนี้สั้นจริงๆ